Thank you. คนเราสมัยนี้นะส่วนใหญ่จะมาวัดหรือเข้าหาศาสนาก็ต่อเมื่อมีความทุกขนะ์ทุกกายทุกใจนะเช่นอาจจะเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายตกงานนะมีหนี้สินหรือมาด้วยความกลัวว่าจะเล่นไม่จบนะบางคนก็มาเพราะ อ, อกหักนะหรือว่า พดพรากจากคนรักของรักมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะก็มาวัดทำไมถึงมาวัดนะก็เพราะเชื่อว่าถ้ามาแล้วนะไอความทุกข์ที่คุกคามร่างกายจิตใจมันก็จะหายไปบางคนอาจจะไม่มีความทุกข์แต่ก็กลัวว่า กิจาการงานที่ทำจะไม่ประสบความสำเร็จนะก็มาวัดเพื่อหวังสริลมงคลช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จเนชะ่นมาให้พระรถน้ำมนต์นะผูกสายสินนะสรุปก็คือว่ามาวัดนะเพื่อความสบายใจนะสบายใจเพราะว่าวัดเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยนะ สามารถจะปัดเป่าความทุกข์ได้นะมีความเชื่อแบบนั้นมาวัดมากราบพระมาทำบุญก็เชื่อว่าจะทำให้นะทุกโศกมันหายไปโรคภัยไข้เจ็บน ะ, ะได้รับการเยียวยาหรือว่าไม่มากํากลายเนะี่ยอันนี้เราก็เห็นอยู่เยอะนะบางคน เศร้าโศกเพราะว่าสูญเสียคนรักนะก็มาเพื่อจะทำบุญอุทิศให้กับคนรักที่ล่วงลับไปมาแล้วก็สบายใจคลายความเศร้าโศกหรือคลายความรู้สึกผิดหวังอ่ารู้สึกผิดนะตอนที่พ่อแม่มีชีวิตยอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเยียนคิดว่ายังมีเวลาแต่พอท่านจากไปบางทีก็ไม่ได้จากไปกะทันหันนะก็จากไปตาม าตานวิสัยคนแก่คนชราก็เสียใจนะรู้สึกผิดนะว่าไม่ได้ทำอะไรให้กับท่านนะก็เลยมาวัดเพื่อทอยะทำสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้ท่านนะทำแล้วก็สบายใจนะนะอันนี้นะพูดอย่างสรุปก็คือคนส่วนใหญ่มาวัดนะเพื่อความสบายใจนะแล้วก็จนวนมาก มาแล้วก็สบายใจจริงๆเพราะว่าพระก็ดีหรือว่าวัดก็ดีหรือศาสนาเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือช่วยให้กำลังใจนะหรือว่าช่วยปลอบโยนปลอบประโลมจิตใจเจ็บป่วยมาวัดก็มีความหวังว่าบุญกุศลที่ได้ทำนะหรือว่า สริริมงคลที่ได้มานะจะช่วยเยียวยารักษาความเจ็บป่วยหรือว่าอ น, นิสงส์หรือพุทธานุภาพธรรมานุภาพหรือสังขานุภาพเนี่ยจะช่วยทําให้ให้ความทุกข์มันได้รับการปัดเป่าออไปอันนี้ก็เป็นนเป็งานอย่างหนึ่งนะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของศาสนาของวัดนะก็ทําให้ผู้คนนี่ ถ้าไม่มีทางออกไม่มีที่พึ่งก็มาวัดนะมาทําบุญนะมารับน้ำมนต์วัตถุมงคลนะได้สายสินหรือมิชนันก็ น, นิมนต์พระนะไปทําบุญที่บ้านทําแล้วก็สบายใจนะส่วนจะสบายใจชั่วคราวหรือว่าสบายใจนะอย่างอา ต่อเนื่องยืดยาวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ดีนะมาวัดแล้วเนี่ยเพื่อหวังว่าความทุกข์ความโศกมันจะบรรเทาเบ า, บาบางลงไปดีกว่าทุกข์กลุ้มใจแล้วไปกินเหล้านะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือว่าเข้าหาอใบาามุกนะเช่นเล่นการพนันนะหรือว่ามั่วสุม นะในเรื่องในเรื่องเพศก็ดีเรื่องนะที่มันเป็นโทษก็ดีแต่ว่าเราอย่ามาวัดนะเพียงแค่นี้เท่านั้นนะอย่าเข้าหาศาสนาเพียงเท่านี้เท่านั้นนะเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะสามารถจะให้กับเราเนี่ยได้มากกว่า น, นีนะ้ให้ความสบายใจนะ เพราะว่าได้มาทำบุญได้รับการพรมน้ำมนตนะ์ได้วัตถุมงคลอันนี้มันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวนะไอ้ความทุกข์อาจจะไ ด, ได้รับการปัดเป่าเจ็บป่วยก็ยังป่วยอยู่นะหรือว่าบางทีอาจจะเกิดปาฏิหาริยนะ์หายป่วยงานนะที่เคยตกงานก็ได้งาน นะที่กลัวว่าจะเรียนไม่จบทำวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จอ้าวก็เรียนจบทำเสร็จนะแต่ว่าต่อมาก็อาจจะมีความทุกข์เรื่องอื่นนะเรียนจบนะทำวิทยานิพนธ์เสร็จนะก็ไปเจอความทุกข์แบบอื่นได้งานที่ไม่ชอบหรือว่ามีปัญหากับคนรักนะมีความขัดแย้งนะกับเพื่อนร่วม ง, งาน แล้วก็ทุกข์ใหม่แล้วก็ถ้าเข้าวัดเพื่อที่จะบํบาบัดปัดเป่าไอ้ความทุกข์เหล่านี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าความทุกข์มันหายไปจะมีความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าฉั้นอย่ามาวัดเนี่ยเพียงแค่ความสบายใจนะถ้ามาวัดเนี่ยควรจะมุ่งหวังมากกว่า น, นั้นนะก็คือมาฝึกฝนจิตใจหรือว่า มาเพื่อเขย่าจิตเขย่าใจนะกระท้อจิตกระท้อใจที่จริงจะว่ากระท้อใจคงไม่ถูกนะเรียกกระทอกกิเลสดีกว่ามาวัดเนี่ยให้มานะเพื่อสิ่งนี้ด้วยนะแล้วที่จริงเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะก็คําสอนผู้จารย์จริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้แหละนะเป็นเรื่องฝึกฝนจิตใจเป็นเรื่องกระท้อจิตกระท้อใจ เขย่ากิเลสนะเขย่าความหลงเวลามามามาวัดเนี่ยก็อย่าเพียงแต่มีความหวังว่าเออจะมีโชคมีลาบมีอายุวันสุขาพละเท่านั้นมันไม่พอนะต้องเปิดใจยอมรับนะคำสอนของพูะุทธเจ้าที่มันมาไปกันนั้นซึ่ง บางครั้งมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะฟังเช่นถึงแม้ว่าอายุวันณสุขพะพละเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากปร า, าปรถนาแต่ก็ต้องเปิดใจฟังคำสอนของพระเจ้าที่ว่าเนี่ยคนเราในที่สุดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอายุวันนาสุขพะพละนะมันไม่ใช่เป็นของเที่ยงอายุยืนแค่ไหนในสุดก็ต้องตาย วันนะผ่องใสแค่ไหนในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมนะร่างกายที่เคยผุดผ่องนะก็หม่หมองที่เคยเต่งตึงก็หย่อนยานอย่าว่าแต่อะไรเลยนะหรือว่าอย่าว่าแต่ใครเลยพูุทธเจ้าเนี่ยพอพระองค์เนี่ยอายุนะเจ็ดสิบแปดสิบนี่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ปรากฏนะความชราก็ แสดงให้เห็นขนาดพระอ น, น์นี่ก็ถึงกับออกปากแล้วว่าพระเจ้านะที่เคยเดินหลังตรงนะก็เริ่มหลังก็เริ่มงองงุ้มนะผิวหนังก็เหี่ยวย่นนะอันนี้ถึงก็บอกว่าที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏก็ปรากฏนี่ขณาดพระเจ้านะซึ่งเป็นอภิมนุษย์นะมีมหาบุริสลักษณะหลายประการนะ แต่สุดท้ายก็ต้องตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงไม่จีิงรังเพราะนั้นเนี่ยอายุวรนนสุขาพราี่เราแสวงหาปรารถนาอยากจะได้จากวัดอำนวยอวยให้มีอายุยืนยาวเนี่ย <นะ S 1> ก็ต้องเปิดใจนะยอมรับความจริงว่ามันไม่เที่ยงหลายคนที่มาวัดนะ อยากจะได้โชคได้ลาบ ก, นะก็ต้องเปิดใจฟังนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้โชคลาบนี่มันก็ไม่ใช่เป็นสารณนอันประเสริฐนะมันไม่ช่วยทำให้พ้นทุกอย่างแท้จริงมีนํำซ้ำมันยังเป็นโทษด้วยนะเพราะว่าสามารถจะทำให้เป็นทุกข์ได้ถ้าไปหลงติดมัน อย่างผู้เจ้าตาว่าเนี่ยลาบสักการะนะย่อมฆ่าคนชั่วฆนะ่าคนชั่วเลยนะนะไม่ใช่แค่ทําความทุกข์ให้แล้วสุดท้ายเนี่ยก็หนีความพลัดพรากสูญเสียไม่ได้นะลาบสักการะมีมากแค่ไหนในสวนมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปอันนี้เรียกว่าโลกธรรมแปดนะมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะมีสารเสริญก็ต้องเจอกับนินทา ฟังเอาไว้บ้างนะแล้วก็เตือนใจสอนใจเรื่องแบบนี้เนี่ยนะหลายคนที่มาวัดไม่อยากจะฟังนะอยากจะได้ยินแต่พระสอนว่าให้รวยรวยรวยรวยพอให้รวยรวยรวยนะแต่ที่พระเจ้าสอนอีอกที่ความจริงที่มันลึกซึ้งกว่านั้นว่ารวยก็ยังเป็นทุกข์นะและความรวยก็ไม่เที่ยงยังต้องเปิดใจฟังบ้างนะ นพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่มีแต่สอนให้เราหรือให้ความหวังปลอบประโลมใจให้เราสบายใจนพุทธศาสนานมีของดีมากกว่า น, นั้นก็คือเปิดใจของเราให้มีปัญญาเห็นความจริงและความจริงมันก็คือนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่จีรัง ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกนะทุกก็คือว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์นะมันต้องเสื่อมไปต้องดับไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมาวัดเนี่ยก็ต้องมานะมาเพื่อที่จะมาฟังมารับรู้สิ่งที่ไม่ถูกใจแต่เป็นประโยชน์นะมันเป็นเหมือนยาขมนะเป็นยาขม ที่มันช่วยทำให้หายป่วยไดนะ้จะกินแต่ของหวานนะของหวานนี่กินมากๆก็เป็นโทษนะต้องกล้าที่จะกินยาขมนะหมายถึงคำสอนที่ไม่ถูกใจที่จริงว่าจะว่าไม่ถูกใจก็ไม่เชิงนะมันไม่ถูกไม่ถูกกิเลสมากกว่านะนะคำสอนที่ว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายนี่นะ กิเลสมันไม่อยากฟังคำสอนที่ว่าลาบก็ดีสากาักการะก็ดีมันไม่เที่ยงมีลาบต้องก็ต้องเสริมลาบมียศก็ต้องเสริมยศอันนี้กิเลกก็ไม่อยากฟังนะพอพระพูดก็เอามือปิดหูนะเวลาหลายคนมาวัดก็อยากจะมาทำบุญนะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับพระหรือเกิดกับวัดนะหรือเกิดกับศาสนานะมาทำบุญเพราะว่าอยากจะได้โชคได้ลาบ มาทำบุญที่จริงมาเอาบุญมากกว่านะเอาบุญเพื่ออะไรก็เพื่อว่าเพราะเชื่อว่าถ้ามีบุญได้บุญเยอะเดี๋ยวนะมันก็จะประสบความสําเร็จนะมีอายุวันนาสุขาภละทนสารสมบัตินะปฏิภาณบางทีเอาบ้างไม่เอาบ้างนะมาเอาแค่นั้นแหละนะไม่ได้คิดถึงประโยชน์นะที่จะเกิดกับพระจริงๆหรือเกิดกับศาสนา บางทีก็แย่งกันนะแย่งกันเพื่อจะได้เอาบุญได้บุญเยอะๆเะช่นแย่งกันประเคนแย่งกันถือผ้าหรือประเคนถวายสังฆทานเพราะเชื่อว่าถ้าถวายกับมือหรือว่ า, าถือผ้าตรานี่จะได้บุญมากกว่าคนอื่นนะบางทีถึงกับทะเลาะกันนะ อันนี้มันเป็นความความหลงความเข้าใจผิดแล้วก็มาแบบนี้มันก็ยิ่งไม่ได้บุญใหญ่ถ้าเรามาวัดเนี่ยนะไม่ใช่มาเพื่อความสบายใจอย่างเดียวนะแต่ว่ามาเพื่อที่จะกระเทาะกิเลสนะมาฝึกฝนใจให้เจริญงอกงามมันจะทําให้ความทุกข์นะในใจิตใจเราลดลงไปเพราะว่าความทุกข์คนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะ มันอยู่ที่ความทุกข์ใจไอ้ความทุกข์กายเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ทุ่เก่งคือความทุกข์ใจและที่ทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่เพราะคนอื่นทาไม่ใช่เพราะเจ้านายไม่ใช่เพราะลูกหลานเพื่อโรงงานนะมันไม่ใช่เพราะใครเลยเนี่ยสายเหตุหลักๆคือจิตใจของเรานะหรือผู้อย่างคือก็คือกิเลสนะความยึดติดถือมั่นความเห็นแก่ตัว ตเราไม่ฝนใจให้ความเห็นกับตัวลดลงนะไม่ขูดกิเลสให้มันเบาบางลงไปไม่กระเทาะกิเลสให้มันหลุดไปจากใจบ้างเนี่ยความทุกข์มันก็มีเลื่อยไปนะได้โชคได้ลาภเท่าไหร่มันก็ยังมีความทุกข์นะเพราะว่าเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าได้มากกว่า ให้คนที่ได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งล้านเนี่ยเราคิดว่าเขามีความสุขเหรอหลายคนไม่มีความสุขนะเพราะว่าเห็นเพื่อนได้สองล้านจิตใจที่มันชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันทําให้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะสวยเท่าไหร่หล่ลอเท่าไหร่ก็ยังมีความทุกข์นะเพราะเห็นคนอื่นหล่อกว่าสวยกว่านะหรือว่าเห็นคนอื่นเขามีอย่างอื่นที่ดีกว่า ตราใดที่ยังมีความมีตัณหามีกิเลสมีความยึดติดถือมั่นเนี่ยนะมันได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขและถึงเวลาที่ต้องเสียไปต้องเจอความเสื่อมนะก็เป็นทุกข์งั้นมาวัดเนี่ยนะก็อย่าคิดแต่เพียงว่ามาเพื่อความสบายใจต้องมาฝนใจด้วยมาฝึกใจนะ ให้กิเลสเบาบางนะวันนั้นเนี่ยนะเรื่องนอกจากการทำบุญแล้วนะหรือแม้แต่นอกจากการรักษาศีลแล้วนี่ก็ต้องภาวนาด้วยแต่ภาวนาก็ต้องภาวนาให้ถูกนะบางคนมาภาวนาก็หวังแค่ความสบายใจมาวัดเออนะมาภาวนาเพียงแค่ให้ใจสงบแต่สงบชั่วครั้งชั่วคราวนะเพียงแค่ช่วยลดความเครียด มันมีความกลุ้มอกกุ้มใจมาวัดและภาวนาตามลมหายใจนะจิตมันหยุดคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องครอบครัวสบายใจแต่พอกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานอา้าวทุกข์ใหม่เพราะเจอเรื่องเดิมนะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนะลูกพูดไม่ถูกใจพ่อทาไม่ถูกใจ หรือว่าเจ้านายพูดไม่ถูกหูนะนที่จริงเนี่ยความทุกเหล่านี้เนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากการที่เรายึดติดในตัวตนด้วยนะเวลาใครดา่าเราแล้วเราทุกเนี่ยนะมันเป็นพ่ออะไรนะก็เพราะเราคิดว่าตัวกูเนี่ยมันถูกกระทบนะหรือเป็นเพราะเราห่วงภาพลักษ์เรายึดติดในภาพลักษ์ว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนมีความสามารถ พอใครเขาทักท้วงเราตีเตียนเรามันก็รู้สึกว่าไอาภาพตัวตนนะที่เราหวงแหนเนี่ยมันถูกกระทบนะอันที่มันเป็นเพราะความยึดติดนะในตัวกูกของกูกทั้งนั้นแหละเวลาเงินถูกโกงนะโทรศัพท์หายนะหรือว่าแก้แหวนเงินทองนะ มันสูญหายไปทําไมถึงทุกข์นะมันไม่ใช่ว่าคนเอาไปนะแต่ลึกเป็นเพราะเรายังมีความยึดว่าเป็นของกูของกูนถ้าบ้านคนอื่นถูกเผานะรถเขาถูกยึดเนี่ยเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของเราให้ลองดูดีๆนะไอ้ความทุกข์เนี่ยนะถ้าเป็นความทุกข์ใจแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็มาลงที่ว่าสาเหตุคือให้ความยึดติดนะใน ตัวกูของกูงั้นถ้าเราไม่รู้จักนะขูดไม่รู้จักถอนหรือว่าลดไอ้ความยึดติดนะในตัวกูของกูเนี่ยหรือลดละความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะยังไงมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะงั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยอย่าภาวนาแต่เพียงแค่ให้ใจสบายนะแต่ว่าภาวนาเพื่อที่จะนะเห็นกิเลส ที่มันคลองใจเห็นความหลงนะที่มันคุกคามจิตใจแล้วก็พยายามหรือพยายามถอนนะอันนี้มันยากกว่านะยากกว่าการที่มามาภาวนาะเพื่อความสบายใจเพื่อความสงบนะเพราะว่ามันต้องกล้าที่จะสู้กับกิเลสนะ ไม่ใช่ตามใจกิเลสหลายคนมาวัดเพื่อตามใจกิเลสนะเพื่อสนองความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะมาวัดเพื่ออยากได้มาวัดเพื่อจะเอานะบางทีไม่ใช่แค่มาเอาบุญมาเอาโชคเอาลาบนะบางทีเอาแม้กระทั่งสิ่งพื้นเพื่นเช่นทรัพย์สินในวัดนะมาเพื่อจ้องจะเอาของในวัดเนี่ยอันนี้มันหยาบมาก จริงๆถ้าจะมาวัดเนี่ยหรือมาเข้าหาศาสนาเนี่ยต้องมาเพื่อที่จะลดเพื่อที่จะละนะไม่ใช่เพื่อเอาแม้แต่บุญนะก็ไม่ได้สนใจแต่สนใจเรื่องการลดการละนะกิเลสไม่ได้มาวัดเพียงเพื่อจะได้คำวอวยพรที่รื่นหูหรือว่าการพนัพนอกิเลสนะแต่มาเพื่อที่จะ เพื่อพร้อมที่จะเจอกับการอาการขนาบนะการกระทุง้งกระทุง้งจกระทุ้งใจอย่างพระเจ้าในตักกระพานนวลว่าเนี่ยเราจะไม่ทํากับเธออย่างทนุถนอมนะเหมือนช่างปั้นดินนะเราจะขนาบเธอแล้วขนาบเธออีกเนะี่ยพระเจ้าเนี่ยนะก็หวังนะคนที่จะมาเพื่อ รับการฝึกฝนแบบนี้แหละนะหรือว่าถ้าเราจะได้วังประโยชน์จากศาสนาก็เนี่ยแหละมาเพื่อที่จะนะพร้อมรับการขย่าจิตขย่าใจนะั้นมาชาวพุดจริงๆมันต้องมีความกล้านะกล้าที่จะให้ครูบาอาจารย์ขนาดแล้วขนาดอีกนะกล้าที่จะเปิดใจรับฟังสิ่งที่มันไม่ถูกอกถูกใจหรือไม่ถูกใจกิเลส แล้วก็เพียรที่จะฝึกฝนพัฒนาตนนะไม่ตามใจนะกิเลสนะเวลาเราภาวนาสังเกตดูไหมเนี่ยบางทีที่บรรใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะมันเพราะอำนาจกิเลสนะกิเลสมันนะชวนให้คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอคิดไปแล้วก็เป็นทุกข์กับการที่ต้องมาปฏิบัติที่นี่ ถ้าอยู่บ้านถ้าอยู่ที่ทํางานโอ้มันมีของกินอร่อยอร่อยมีเพลงฟังมีเพื่อนนะมากมายจิตมันร้อนเลยเวลาเราใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นแหละไอ้ความคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเนี่ยที่เราที่มันเกิดกับเราเวลาภาวนาเนี่ยนะมันก็หนีไม่พ้นนะวนเวียนอยู่กับเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นแหละ เขาด่ากูเขาด่ากูเข า, า, เขาลังแกลกูนะอันนี้ก็ทําให้เสียใจโกรธแค้นหรือว่านึกถึงความสําเร็จนะว่ากูเก่งกูเก่งกูแน่นะบางทีก็นึกถึงแฟนก็โอ้แฟนของกูแฟนของกูนะคือมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูเท่านั้นแหละนะเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยนะเวลาใจมมีสติเนี่ยนะ อยากจะวางเนี่ยบางทีกิเลสมันไม่อยากให้วางนะอยากจะคิดต่อนะเพราะว่ามันความคิดนี่มันปรนเปลือตัวกูของกูแต่ถ้าเรามาวัดมาภาวนาเพื่อต้องการฝึกฝนจิตใจเนี่ยนะไอแค่นี้นี่ไม่อะไรใหญ่ดีนะมันสลัดเลยนะเพราะรู้ว่ามันเป็นโทษนะอะไรก็ตามที่มัน ที่เป็นการตามใจกิเลสเนี่ยนะมันมีแต่ทำให้กิเลสมันใหญ่อ้วนมีกำลังมากขึ้นซึ่งจะสร้างความทุกขให้กับเราเราก็กล้าที่จะสลัดทิ้งาศาสนาหรือวัดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นสาระพักร้อนนะหลายคนมาวัดมาเข้าห า, าศาสนาเพื่อจะคล้ายๆท่านลองหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะอยู่ที่บ้านมันร้อนอยู่ที่ทำ ง, งานมันร้อนหรือว่าเจ็บป่วย นะมีหนี่สินมันร้อนหงกร้อนใจมาวัดแล้วก็สบายใจเหมือนกับมาศาลาพักร้อนแต่จริงๆวัดหรือาศาสนานี่มันเป็นมากกว่านั้นนะมันเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนสำหรับการฝึกฝนนะการทำความเพียรนะเด็กๆ ก, ก็ไม่อยากไปโรงเรียนหรอกนะเด็กมันอยู่บ้านอยากอยู่บ้านมากกว่าจำได้มาตอนเราเด็กๆ เ, เนี่ยพระโรงเรียนเนี่ย อยู่โรงเรียนต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบต้องทําการบ้านต้องอต้องทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยถึงเวลาสอบก็ต้องอดตลับขับตอนนอนนะาศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาก็อย่างนั้นแหละนะเพียงแต่ไม่ได้สอนไม่ได้สอนวิชาทางโลกแต่สอนวิชาชีวิตและวิชาชีวิตนี่มันต้องปฏิบัตินะมันมีบททดสอบมันมีการบ้านนะมันเป็นเรื่องการเคี่ยวกรัม ฝึกฝนอบรมอบรมเนี่ยนะมันหมายถึงว่าเจอความร้อนนะข้าวเนี่ยนะถ้ามันไม่ร้อนไม่เจอความร้อนนะมันไม่สุกนะมันยังดิบอยู่พอลไม้เนี่ยถ้ามันไม่เจอความร้อนเนี่ยมันก็ยังดิบนะแป้งถ้าไม่ไปอบมันมันก็ยังกินไม่ได้นะความร้อนเนี่ยนะ มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่คนไทยเราใช้คำว่าอบรมเนี่ยนะมันหมายถึงว่าต้องเจอกับความร้อนเจอกับความยากนะมันถึงจะเกิดความเปลี่ยนแปลงคุณภาพนะเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพใหม่ยันถ้าเรามาเนี่ยนะแล้วก็ไม่อยากเจอความร้อนไม่อยากเจอการอบการรมไม่อยากจะฝนใจนะมาเพียงแค่สบายเนี่ย มันได้ไประโยชน์น้อยนะเป็นชาวพุทตั้งทีนะอาศัยศาสนาอาศัยพุทธศาสนาเพียงแค่เป็นสารพักร้อนนะให้สบายใจชั่วคราวอันนี้มันไม่ไม่ฉลาดเท่าไหร่นะต้องถือว่าวัดก็ดีพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยนะมันเป็นโรงเรียนนะที่เราต้องเคี่ยวกรัมตนเองจะต้องเจอการขนาบนะของครูบางทีก็ต้องเจอการ ด่ดาว่ากล่าวนะของครูของครูนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระก็ได้เป็นพระพุทธเจ้านะนะนี่มาวัดเนี่ยถ้าจะมาฟังแต่คําอวยพรที่มันถูกใจถูกกิเลสเนี่ยนะนนี้ถือว่าได้ประโยชน์น้อยนะมาบางทีก็ต้องพร้อมที่จะเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ถูกกิเลสแต่มันถูกต้องนะนพยายามเปิดใจฟังนะรับฟังคําสอนผู้เจ้านําไปพิจารณา เรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงคำสอนที่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกอย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยอันนี้พิจารณาดูคำพูดที่ว่าคำสอนที่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพิจารณาดูกิเลสมันไม่อยากฟังนะอยากจอมือปิดทูนะ่ะแต่ว่าต้องเปิด นั้นไม่พอนะก็ต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติเมื่อถ้าเป็นการให้ทานก็เป็นไปเพื่อละกิเลสลดความมีแกตัวถ้ารักษาศีลก็เพื่อลดละโลภโทสะโมห oh ะไม่ใช่เพื่อไปอวดใครว่าฉันเป็นคนมีศีล น, นะไม่ใช่เพื่อยกตนข่มท่านซึ่งเป็นการปนเปอร์กิเลส ภาวนาก็ไม่ใช่แค่ทําให้ใจสงบชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเพื่อจะได้ไปอวดว่าฉันเป็นนักภาวน า, เ ป, นน า, วนาเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้มันก็ไปหนุนเสริมกิเลสมานะณ์มันต้องจริงจังนะกับการภาวนาชนิดที่ว่านะลดละหรือถอนไอ้ความเพี้ยนกับตัวให้ได้อย่าปล่อยให้กิเลสอย่าปล่อยให้มารนะเนี่ยมันมันคลองใจนะ คอยเพ่งโทษคนอื่นเพื่อจะได้รู้สึกว่าฉันดีกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องระวังนะนั้นวางใจให้ถูกนะเรามาเรามาวัดเราเข้าหาพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ใช่มาเพื่อมาหาสารพักล้อนไม่ใช่เพื่อกินของหวานนะแต่ว่าเพื่อมาเข้าโรงเรียนฝึกฝนพัฒนาตนเขี่ยกรามตนเองจนกระทั่งกิเลสนะมันเบาบาง และสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดรางวัลก็คือความสุขนะสุขใจนะถึงแม้จะไม่ร่ารวยนะแล้วถึงแม่อายุวันนัสุขภาภะจะไม่ได้อ่าเจริญงอกงามก็ตามเพราะคนเราบางทีก็อายุสั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราได้อ่าฝึกฝนพัฒนาตนแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นชีวิที่มีค่าคุ้มกับการเกิดเป็นมนุษย์อย่างที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้ที่นะ ทำความดีนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแม้มีชุดเพียงแค่วันเดียวก็ประเสริกกว่าคนที่อายุร้อยปีนะแต่ว่าประมาทนะไม่มีศีลไม่มีธรรมนะอาแล้วก็คำนี้ก็พกเพมือนท่านนี้อ้าวกราบพระ